ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องไกลถึงขนาดนั้นเป็นแต่เพียงว่าคิดทำก็แล้วกันแม้เราจะไม่ได้ทำเลยผู้คิดก็มีความสุขและก็ตรงกันข้ามถ้าเราคิดทำบาปแม้เราไม่ได้ไปทำบาปเลยเพียงคิดใจก็เป็นทุกข์แล้วยังคนที่ถูกพยาบาทคนอื่นเนี่ยหรือคนที่ริษยาคนอื่นใจเป็นทุกข์แล้วนองทุรนทุราย อยู่ด้วยความทรมานใจเนี่ยจิตใจก็เศร้าหมองเกิดทุกข์ขึ้นถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทำเลยแต่ว่าเพียงคิดเท่านั้นมันก็เป็นทุกข์ดันั้นการสแสวงหาความสุขทางนามมาทำเนี่ยเพียงแค่เราใช้ความรู้สึกนึกคิดธรรมดาสามัญ ท, ทั่วไปว่าเราคิดจะทำไอ้นั่นทาไอ้นี่เราคิดทากุศลคิดทำบุญ หรือจะร่วมการกุศลอันใดอันหนึ่งเนี่ยให้มันสําเร็จรุ่ร่วงไปเนี่ยเราก็เกิดบุญเกิดกุศลแล้วเป็นแต่เพียงให้เราคิดทำเท่านั้นคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญขึ้นมาเราก็เกิดบุญเกิดกุศลโดยทั่วกันเนี่เป็นการสแสวงหาความสุขทางนา ม, มกายหรือทางด้านจิตใจซึ่งเราก็สแสวงหาได้และอันเนี้ยมันก็เป็นอาหารอันหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นจะต้องออใช้พิธีกรรมอะไรมาก แต่ขออย่างเดียวว่าให้เรารู้จักปฏิบัติรู้จักทำใจของเราเท่านั้นเองชีวิตเนี่ยก็เป็นสุขได้ส่วนหนึ่ง <c oughs> แม้ว่าบางส่วนเช่นอย่างส่วนที่เป็นรูปเนี่ยมันจะเป็นทุกข์แต่ถ้าใจของเราทำให้เป็นสุขแล้วรูปก็คงไม่ต่างอะไรกับวัตถุชิ้นหนึ่งหรือเหมือนกับขอนไม้ท่อนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไร ถ้าจิตนี้สามารถวางได้ไม่ยึดถือในรูปประขันมันก็ไม่เป็นทุกข์รูปประขันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเรารู้จักทำใจแล้วเราก็เป็นสุขอย่างคนที่เจ็บป่วยรูปอาจจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ในเมื่อเราไม่ไปยึดถือในโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนรูปของเราเราทำใจของเราให้สงบมุ่งพิจารณาถึงความจริงของรูปพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของรูป พิจาราถึงเหตุปัจจัยของนามอย่างเนี้ยผู้นั้นก็มีความสุขได้ทั้งๆที่รูปส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นสุขเลยมันถูกโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานีแต่ถ้าเราถอนความยึดถือในรูปได้เนี่ยเราก็เป็นสุขได้ส่วนหนึ่งในบรรดาขันทั้งห้าขันเนี่ยเมื่อแบ่งโยดยย่อแล้วก็มีรูปกับนามรูปเป็นทุกข์ก็ขอให้นามเป็นสุข แต่ถ้ารูปเป็นสุขนามเป็นทุกข์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างที่บางคนมีความสมบูรณ์พูนสุขร่างกายสมบูรณ์ดีทุกสิ่งทุกอย่างตดนเพลความสุขทางกายเนี่ยอย่างเต็มที่แต่พาในจิตใจเต็มเปด้วยความทุกข์ทรมานเต็มเปด้วยความเดือดร้อนอยู่เนืองอย่างนี้มีความโลภความโกรธความหลงเบ็ดเบียนอยู่เสมอเนี่ยถึงแม้จะมีความสุขทางกายมันก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะว่าจิตใจเป็นทุกข์ตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าทั้งรูปทั้งนามทั้งสองอย่างนี่ถ้าเกิดขึ้นในภพภูมิไหนๆก็ตามมันก็มีความทุกข์อยู่ในภพภูมินั้นๆเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นทุกข์หยาบปานกลางหรือละเอียดประณีตลงไปเท่านั้นเองนิพพานในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงความดับรูปและนามทั้งสองอย่าง และเมื่อดับทั้งสองอย่างนี้ได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นบรมสุขถ้ายังดับไม่ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยจึงไม่เป็นบรมสุขฉะนั้นผู้ที่เจริญอรูปปัจานหรืออรูปกรรมาฐานแล้วเมื่อไปเกิดในอรูปประพรมนี้จึงไม่ใช่เป็นผู้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงยังติดอยู่ในทุกส่วนหนึ่งคือไม่สามารถพ้นไปจากวัฏสงสารได้เมื่อชดใช้กรรมในอรูปประพรมสิ้นสุดตรตงแล้วก็ยังมีการจูบติ มีการเวียนตายเวียนเกิดกันต่อไปไม่ใช่เป็นนิพพานคือการดับได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเกิดขึ้นอยู่ในภพภูมิใดๆก็ตามก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าไม่เกิดนั่นแหละจึงจะเป็นสุขหลักปฏิบัติของเราจึงมุ่งไปสู่ความดับรูปและนามทั้งสองอย่างนี้ถ้าดับได้เราก็มีความสุข <c oughs> ถ้าดับไม่ได้ก็ ยังไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นเหตุผลดังกล่าวเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงหลักปฏิบัติในรูปกรรมาฐานทั้งสี่นี้ว่าเป็นสมาสมาธิแต่เราจะต้องไม่ติดอยู่เพียงแค่นี้จะต้องปฏิบัติให้สูงขึ้นไปอีกโดยอาศัยอรูปฌานเนี่ยเป็นอารมณ์ <c oughs> ทีนี้การเจริญอรูปฌานเนี่ย ในข้อแรกคืออาการสาหนันจายตนะชาญเมื่อเราบริกรรมว่าอาการโศอันันโตนี่อากาโศอนันโตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชาญที่เราบริกรรมนี้ได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จแล้วคือได้บรรลุถึงซึ่งอาการสาหนันจายัตนะชาญแล้วมีหลักอะไรบ้างที่เป็นเครื่องตัดสิน ท่านบอกว่าการที่เราจะบรรลุถึงซึ่งอากาสานันใจสนัชฌานที่หนึ่งได้เนี่ยเออมีหลักตัดสินอยู่ว่า <c oughs> ผู้ปฏิบัตินั้นดับรูปสัญญาได้ดับปฏิฆสัญญาได้ดับนานัตตาสัญญาได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าบรรลุถึงซึ่งอากาสานันใจส น, าานัชฌาน รู ป, ปรสัญญาเนี่ยหมายถึงความกำหนดหมายถึงรูปต่างๆปฏิกะสัญญาก็หมายถึงสัญญาที่มากระทบทางอายตนะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดขึ้นจากอายตนะกระทบกันนานาตัสัญญาหมายถึงสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามดับได้ทั้งหมด ถับสัญญาทั้งสาประการนี้ได้แล้วก็จึงจะชื่อว่าบรรลุถึงซึ่งอากาศสารนันจายตนะฌานโดยฌานชนิดนี้จะมีแต่อากาศเป็นอารมณ์เท่านั้นอากาศเนี่ยมันไม่มีรูปร่างก็เพราะว่าดับรูปดับปฏิฆะดับนานาตตสัญญาต่างๆเหล่านี้ได้หมดแล้วจึงจะชื่อว่าได้บรรลุถึงซึ่งอากาศสานันจายตนะฌานซึ่งเป็นฌานที่หนึ่งในอรูปฌานสี่ เมื่อบรรลุถึงซึ่งอาการสาดัญจายสนิชานแล้วโดยปกตินั้นผู้ที่เจริญฌานเนี่ยยังตัดปัญหาได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นความอยากที่จะให้ฌานเนี่ยสูงขึ้นไปก็ยังมีฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นเนี่ยจึงจึงยังไม่พอใจยังไม่ยินดีอยู่ในฌานที่ตนเองได้ เพราะเห็นว่ายังใกล้ต่อรูปเหลือเกินยังใกล้ต่ออันตรายมากทีเดียวถ้าหากว่าเราเผลอหรือว่าสมาธิเนี่ยเสื่อมลงเราก็อาจจะต้องไปสู่รูปอีกก็คือไม่พ้นจากทุกยังจะต้องมีทุกต่อไปเพราะถ้ายังมีรูปอยู่ก็ยังจะต้องมีทุกอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงขั้นนี้แนละ้วก็อยากจะได้สูงขึ้นไปอีกจึงมุ่งปฏิบัติเพื่อไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สอง โดยเห็นว่าอากาศนี่ยังเป็นของหยาบมากวิญญาณที่ไปรู้อากาศนั่นแหละเป็นของละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้แล้วเราดับอากาศเสียได้ดับอากาศานามจัตนาชานได้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ห่างไกลต่ออันตรายคือรูปมากขึ้นฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงมุ่งปฏิบัติวิญญาณ น, นจตนาชานอีก โดยอาวิญญาณที่ทาหน้าที่รู้สึกต่ออากาศนั้นมาเป็นอารมณ์บริกรรมว่าวิญญาณนางอนันตังวิญญาณนางอนันตังว่าวิญญาณ น, นี้ไม่มีที่สุดวิญญาณ น, นี้ไม่มีที่สุดจนกระทั่งดับอากาศสารนาันจตนาชานได้ตบลุถึงซึ่งวิญญาณนันจาตนาชานมีแต่วิญญาณความรู้สึกเท่านั้น เมื่อได้ถึงวิญญาณันจาราชานแล้วก็วยังไม่เพียงพออีกยังเห็นว่าวิญญาณนันจาชานเนี่ยยังอยู่ใกล้ต่ออันตรายมากใกล้ต่ออากาสานันจานาชานเลื้อเกินควรที่จะปฏิบัติธรรมะให้สูงขึ้นไปอีกความจริงวิญญาณ น, นี่ก็ไม่มีไม่มีเลยก็บริกรรมเอาความไม่มีเนี่ยเป็นอารมณ์ ว่านัตถิกินจินัตถิกินจิไม่มีเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยแม้แต่น้อยบริกรรมเรื่อยนัตถิกินจินัตถิกินจิคือเจริญฌานที่สามที่เรียก ว, ว่าอากินจันจายตระนชานเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครั้นปฏิบัติไปเช่นนี้แล้วสามารถดับวิญญาณจัตตนัชฌานได้ก็บรรลุถึงซึ่งอากินจันจายตระนชานโดยเห็นว่าไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียว แม้แต่วิญญาณก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อได้อาจินจัจติยานาชานแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอใจอีกยังมุ่งปฏิบัติเพื่อไปสู่ความไม่มีให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกจึงได้เจริญเนวสัญญาณาสัญญาอตตนิชานในขั้นที่สี่ต่อไปแต่เมื่อเจริญไปแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ว่าไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ะจะว่ามีก็ไม่ใช่ จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญาญตนะฌานจะว่าไม่มีทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่มันยังมีอยู่หรือจะว่ามีก็ไม่ใช่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรเหล่าเนี้เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายาตนะฌานเป็นฌานที่สี่ในอรูปฌานซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่ในหลักปฏบิบัติส่วนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ที่จะเดิญอรูปฌานเนี่ยโดยเฉพาะ ที่นำาบรรยายในวันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้รู้เท่านั้นเองว่าอารูปฌานเนี่ยไปยังไงเจริญกันไปอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงต้องจเจริญถึงอรูปฌานด้วยในสมัยนั้นก็มีการจเจริญกันอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อเหตุผลดังกล่าวนี้ว่าเหตุผลที่เขาจะต้องปฏิบัตินั้นก็เพราะว่ามีความเหนื่อยหน่ายต่อรูปแล้วก็มุ่งปฏิบัติเพื่อมาสู่เนวสัญญาณสัญญาญตนะ องค์ชาญของอรูปชาญสีนี้ก็เท่ากับองค์ชาญในปัญญชาญของรูปชาญคือมีอุเบกขากับเอก ก, ะกะตาทั้งสองเป็นองค์ของชาญเท่ากันแต่ว่าเมื่อเจริญได้แล้วเนี่ยเป็นบาตให้เกิดอภิญญาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเจริญวันนี้ถึงบรรยายก็คงจะไม่เกิดประโยชน์ในด้านการปฏิบัติสําหรับท่านทั้งหลายเป็นแน่แต่จะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่า เราเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอรูปฌานขึ้นพอสังเขปทั้งนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อด้านการศึกษาถึงหลักปฏิบัติเพราะจะไม่บรรยายเสียเลยจะข้ามไปก็จะเป็นการไม่คารวะต่อท่านคันธรจนาจารย์ที่ท่านได้รจนารวบรวมถึงหลักปฏิบัติเอาเนียไว้ในคำผีวิสุทธิมักแล้วก็จะทาให้เราเนี่ยไม่รู้หลักปฏิบัติว่าในพระพุทธศาสนานั้น มีวิธีปฏิบัติอย่างไรอีกบ้างที่นอกเหนือไปจากที่เรารู้กันอยู่ซึ่งก็มีเนี่ยรูปกรรมาฐา น, นอีกสี่ซึ่งก็เป็นลักปฏิบัติที่เราได้ศึกษามาถึงสามสิบแปดวิธีแล้วทั้งหมดมีอยู่สี่สิบวิธีก็ยังเหลืออีกสองวิธีคืออาหารเรปฏิกูลสัญญากับจตุธาตุววัฏฐานเนี่ยที่เป็นส่วนของสมาธิหรือเป็นส่วนของสมถะ ยังมีวิธีปฏิบัติอยู่อีกสองวิธีที่เราศึกษากันมาถึงวันนี้ด้ดยเนี่ยมีสามสิบแปดวิธีเทตมาบรรยายมาตั้งแต่ต้นถึงสามสิบแปดวิธีแล้วแต่วิธีนี่ยคงจะไม่เกิดประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติแต่ก็ต้องนามาบรรยายเพื่อมิไม่ข้ามตัการแสดงธรรมเนี่ยท่านห้ามไม่ให้ล่วงรัฐตัดความ คือแสดงทําให้สมบูรณ์ก็หลักปฏิบัติของท่านมีอย่างไรเนี่ยเราก็ศึกษากันไว้ถึงไม่เป็นประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติก็เป็นประโยชน์ในด้านของความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการฟังว่าเนี่ยก็เป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่หลักปฏิบัติอันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันไม่มีใครปฏิบัติหรอก ก็เพียงแค่รูปประจานก็ทํากันยากเห็นเต็มทีแล้วเพียงแค่ปฐมฌานเนี่ยก็ทํากันลําบากเต็มทีต้องไปขับเคี้ยวกันอยู่ในป่าในดงนื้อในถ้าเป็นปีๆเนี่ยถึงจะได้ส่วนอรูปประจานด้วยก็ยิ่งจะห่างไกลามากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อผลในด้านความรู้ความเข้าใจจึงได้นํามาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นอรูปกรรมฐานที่ที่เราจะต้องเข้าใจเอาไว้เพราะแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังศึกษามาก่อนส่วนในด้านของอการเข้าสู่นิโรธสมาบัตินั้นพระอริยบุคคลนี้ท่านมีทางหลบเลี่ยงความทุกข์ในเบญจขันธ์เนี่ยทางเดียวเท่านั้นคือเข้านิโรธสมาบัติตรีภูริย์เข้านิโรธสมาบัติได้ ต้องเป็นผู้ได้อรูปประชานมาด้วยคือได้สมาบัตแปดได้ทั้งรูปประชานกับอรูปประชานจึงเข้าสู่นิโรธสมาบัตได้เพราะนิโรธสมาบัตเนี่ยหมายถึงอำนาจสมาธิที่ดับดับสัญญาดับเวทนาต่างๆอย่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพอเข้าสู่นิโรธสมาบัตก็ดับได้หมด ความทรมานกายหรือความเหนื่อยหน่ายตัวรูปเนี่ยท่านก็ดับได้ด้วยนั่งสมาธิเจ็ดวันเจ็ดคืนตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนคนที่ตายแล้วแต่ไม่ตายเป็นการเข้านิโทธสมาบัติและผู้ที่จะเข้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จสมาบัติแปดด้วยอย่างพระอริยบุคคลที่เป็นสุขวิปัสสกานั้นเข้าไม่ได้ ต้องเป็นฌานลาภีบุคคลก็คือบุคคลที่ได้ฌานทั้งที่เป็นรูปฌานกับรูปฌานมาก่อนจึงจะเข้าได้เนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้คือสามารถดับทุกทางกายเนี่ยได้ชั่วขณะหนึ่งแม้ว่าความทุกข์อ น, นั้นจะดับได้เพียงห้าวันเจ็ดวันก็ยังดีกว่าที่จะนอนทนทุกทรมานฉะนั้นพระอริยบุคคลในสมัยก่อนเนี่ยจึงนิยมเข้านิโรธสมาบัติบ่อย และสาธุชนก็นิยมใส่บาตรกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเช่นอย่างเมื่อรูปรายรูปหนึ่งเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติมาแล้วเจ็ดวันพอออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยท่านจะรู้สึกหิวละทุกขเวทนาจะต้องเกิดละท่านต้องออกบินทบาทใครก็ตามที่ใส่บาตรกับพระอรียบุคคลเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเนี่ยอา น, นิสงส์จะได้เป็น ทิฏฐธรรมเวทนีกรรมอันนี้จะได้เห็นปัจจุบันชาติบางคนเป็นยาจกใส่บาตรพระอรียบุคคลที่ออกจากนิโรธสมาบัติไม่ใหม่ก็ได้เป็นเศรษฐีในปัจจุบันทันทีคือผลของบุญที่ทำเนี่ยจะเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแทนที่เราจะต้องไปคอยได้พบหน้าหรืออีกตั้งสิบชาติถึงจะได้รับอานิสงส์ก็ได้รับอานิสงส์ปัจจุบัน ที่ได้รับอนิสงส์ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าปฏิฆาหก 56, ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของเราเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าด้วยแล้วก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติด้วยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีและเกินที่รรหวานพื้นคือทีาทานลงไปก็จะงอกออกผลมาทันทีเหมือนกันสมัยก่อนนี้มีสาธุชนหลายท่านได้รับผลชนิดนี้คือใส่บาตรกับหาเรียบุคคลที่ออกจากนิโรธแล้วก็ได้รับผลปัจจุบัน แต่สมัยนี้เราเราหาพระอริยบุคลยากเมื่อหายากก็มีโอกาสที่จะได้บาเพ็ญกุศลประเภทเนี้ได้ยากนั้นกุศลที่เราทำปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ปัจจุบันก็ขอให้เราทำเพราะว่าเราอาจจะได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะเป็นชาติหน้าหรือชาตินอนหรือกี่ชาติก็าตามซึ่งมันก็ไม่สูญหาย เป็นกุศลที่เราสั่งสมว่าถึงจะไม่ได้ปัจจุบันก็ขอให้ได้ในอนาคตชาติก็ยังดีแต่ถ้าทำอยู่เสมอๆปัจจุบันนี้เราก็ได้ละถึงจะไม่ได้เป็นนิสันทผลคือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ได้ความสุขเรารู้สึกสุขใจรู้สึกสบายใจนั่นคือตัวบุญตัวกุศลที่เรียกว่าอานิสง เป็นผลอันหนึ่งที่เราได้รับทันทีเมื่อเราสร้างกุศลนั้นเนี่ยสำเร็จลงแต่จะเป็นนิสันทผลเป็นแก้วแหวนเงินทองนั้นอ น, นั้นเป็นส่วนนิสันธผลซึ่งอาจจะต้องคอยถึงพบหน้าหรืออาจจะต้องคอยถึงสิบชาติยี่สิบชาติไม่แน่นักแล้วแต่กําลังของกุศลที่เราทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกําลังของกุศลเจตนาว่ามีมากน้อยเพียงไร กุศลเจตนาของเรามีสูงอนนงันนี้ก็จะได้รับกับเราเร็วถ้ามีน้อยไม่สมบูรณ์ก็อาจจะได้รับช้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะช้าหรือจะเร็วจึงอยู่ที่กุศลเจตนาของเราทุกคนและก็ปฏิคาหกที่ท่านมารับทานว่าท่านจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรเป็นเนื้อนาบุญของเราอันประเสริฐอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ผู้รับ และก็ผู้ให้คือตัวเราด้วยแต่ถึงระนั้นก็ควรที่จะได้ทำกันไว้ซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นทั้งโลกนี้โลกหน้าเพราะฉะนั้นจึงได้นำมาบรรยายในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงวิธีการความเป็นกุศลด้วยเนี่ยเหตุผลของพระเรียบุคคลที่ท่านาต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติก็เพื่อเหตุนี้ แล้วก็เพื่อผลคือดับทุกขเวทนาเป็นครั้งคราวหรือบางครั้งท่านอาจจะเกิดความระอิดและอาเหนื่อยหนายต่อร่างกายเหลือเกินออบางทีเกิดความเบื่อนหน่ายในร่างกายมากอยากจะไปให้พ้นๆเสียแต่มันก็ไม่พ้นเพราะเมื่อเป็นรูปของเราเป็นรูปร่างกายขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปทิ้งไปขว้างที่ไหนเราก็ต้องคอยทั้งนุบำรุงมันไปซึ่งมันก็ไม่จะเป็นของถาวรเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงก็เสื่อมลงแล้วมันก็ ถึงการแตกสลายเป็นที่สุดดังที่ทุกๆชีวิตต้องทิ้งซากกะเลวละเอาไว้บนพื้นโลกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเปล่าประโยชน์ความเน่าเปื่อยความผุพังไปของรูปร่างกายทั้งหลายที่เป็นส่วนของรูปปัจฉันวันนี้ก็ขอบรรยายเฉพาะในรูปกรรมาฐานทั้งสีเนี่ยเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพอเป็นแนวทาง วันอาทิตย์หน้าเราก็จะได้ศึกษาถึงกรรมฐานในข้อต่อไปซึ่งยังเหลืออีกสองข้อในด้านของสมถะต่อจากนั้นเราก็จะได้ขึ้นสู่ปัญญานิเทศเป็นเรื่องของวิปัสสนารุนๆวันนี้การบรรยายก็พอสมควรกัเวลาแล้วอาตมาข อ, อยุติการบรรยายเพียงเพียงนี้ก็จะจบการบรรยายภาคสมาธินิเทศหรือภาคสมถานี้แล้ว วิธีปฏิบัติในข้อที่39หรือในวิธีที่39นี้เรีย ก, ว, าากญญว่าอาหาเลปฏิกูลสัญญาคำว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญานั้นถ้าแปลตามศัพท์เข้าใจง่ายๆก็คือการกำหนดหรือการพิจารณาถึงความปฏิกูลของอาหาร ถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารทุกท่านก็จะเห็นความสำคัญว่าอาหารเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมากเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการบริโภคอาหารถ้าขาดอาหารเพียงอย่างเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้ ฉะนั้นเมื่อมีผู้มาตั้งปัญหาถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นหนึ่งในโลกพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกท่านตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับหนึ่งของโลกและปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นพุทธวจนะอันนี้ยเด่นชัดขึ้นมาว่าทั่วโลกกําลังพิจารณาในเรื่องของอาหาร ว่าที่ว่ามีความจำเป็นในมีความสำคัญอันดับหนึ่งของโลกนั้นเป็นความจริงเช่นได้มีองค์การองค์การหนึ่งที่ตั้งขึ้นในองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การที่ว่าด้วยเรื่องอาหารโดยเฉพาะองค์การนี้ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของอาหารว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นจำนวนมากนี่ จะเดือดร้อนในเรื่องของอาหารจึงได้พยายามส่งเสริมผลผลิตทางด้านอาหารนี่ให้มากขึ้นแล้วก็ตลอดจนได้เสนอแนะว่า <c oughs> ไม่ควรที่จะปล่อยให้มนุษย์เกิดมาตามใจชอบมากมายอย่างนี้ควรหาวิถีทางในการที่จะทำให้เกิดช้าลงหรือมิฉะนั้นก็ป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลย ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดมาจากในเรื่องของอาหารทั้งนั้นเกรงว่าต่อไปนี้เราจะต้องแย่งกันกินจนกระทั่งถึงกับจะต้องกินเนื้อกันซึ่งกันและกันแล้วจะต้องแร่เนื้อเถือหนังกินกันเองซึ่งก็จะทาให้สังคมมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากขึ้นเราจะเห็นได้าจากจำนวนเพิ่มของพลเมืองแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีมากขึ้น แต่ว่าจำนวนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่โลกมนุษย์ที่เราเกิดมาอาศัยกันอยู่นี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจำนวนเนื้อที่มีอยู่เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นแต่จำนวนคนเนี่ยมันมากขึ้นเช่นอย่างในประเทศไทยเราพื้นพื้นดินไทยก็คงอยู่แค่เนี้ยมันจะงอกเงยออกไปอีกก็เห็นถ้าจะเป็นแถวแถวริมทะเลเท่านั้นที่เราพอจะทาให้มันงอกออกไปได้ แต่ว่าจํานวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีแต่ละปีนี้เป็นจํานวนมากฉะนั้นก็วิตกกันว่าต่อไปอีกสัก2ี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะคับขันมากขึ้นตามลำดับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนในทางของอาหารเป็นสำคัญเพราะแผ่นดินนั่นเป็นที่ให้ผลิตผลต่างๆแก่เรา สำหรับที่บริโภคข้าวเราก็ปลูกในแผ่นดินผลหมา้รากไม้ต่างๆเราก็ได้มาจากแผ่นดินถ้าแผ่นดินของเราไม่งอกแต่จํานวนคนงอกขึ้นก็จะทําให้ผลผลิตต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ฉะนั้นความทุกข์ในเรื่องของอาหารนี้ถ้าเราพิจารณากันแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดเพิ่มขึ้นทุกๆวันมันมีความทุกข์อยู่เสมอตลอดเวลา ทำอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ด้วยอาหารหลักปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้คงจะให้สติแก่พวกเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติคงจะทําให้เราเนี่ยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารลงได้มากอย่างน้อยเราก็ยังเห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอันเป็นเครื่องดํารงชีวิตของเราว่า ปัจจุบันนี้ที่เราจะต้องบริโภคอาหารกันอยู่ทุกๆวันนั้นเราบริโภคกันไปเพื่ออะไรและอาหารนั้นมันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตต่อเลือดเนื้อร่างกายของเราเนี่ยอย่างไรบ้างการพิจารณาในอาหารเรปฏิกูลสัญญาพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาถึงเรื่องอาหารไว้โดยจำแนกออกไปเป็นสี่ประเภทด้วยกันคืออาหารที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เนี่ย อาหารประเภทที่หนึ่งเรียกว่ากวะลิงการาหารคำว่ากวะลิงการาหารนี้แปลว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำอาหารที่ทำเป็นคำคำเนี่ยเรียกว่ากวะลิงการาหารถ้าถามว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำที่เป็นกวะลิงการาหารเนี่ยมันได้แก่อะไรก็ได้แก่ข้าวขนมนมเนยผลไม้รากไม้ต่างๆที่เราบริโภคกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ากวะลิงการาหาร รวมทั้งน้ำดื่มที่เราดื่มึันอยู่ทุกๆวันนี้ด้วยหรือเครื่องดื่มทุกประเภทที่เราดื่มกันอยู่ในปัจจุบันก็สงเคราะห์อยู่ในกวบิงการอาหารเป็นอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงรูปร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะนี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งอาหารประเภทที่สองเรียกว่าผัดสาหารผัดสาหารเนี่ยหมายถึงผัดสะนั่นเองเป็นอาหารได้แก่การกระทบเช่นอย่างตาเรากระทบกับรูป ได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นของเราได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสถูกต้องใจนึกคิดทำมารมต่างๆอันนี้ก็จัดว่าเป็นอาหารอาหารเราเนี่เกิดมาจากผัสสะคือการสัมผัสการสัมผัสก็เป็นอาหารอันหนึ่งเหมือนกันอาหารประเภทที่สามเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารนี้แปลว่าอาหารคือมโนสัญเจตนา หรือตัวเจตนากรรมนั่นเองที่เป็นตัวอาหารเรียกว่ามโนสันเจตนาอาหารอาหารประเภทที่สี่เรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารเนี่ยก็คืออาหารคือวิญญาณวิญญาณนี่ก็เป็นอาหารอันหนึง่งทำไมจึงจาแนกอาหารเนี่ยออกไปเป็นสี่ประเภทท่านทั้งหลายอาจจะมีความเข้าใจกันแต่เพียงว่า ถ้าพูดถึงคำว่าอาหารก็คือสิ่งที่เราบริโภคลงไปภายในได้อันนั้นน่ะจริงจะเป็นอาหารบต่นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจำแนกออกไปถึงสี่ประเภทว่าแม้แต่การสัมผัสถูกต้องแม้แต่เจตนาที่นึกคิดแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นตัววิญญาณก็เป็นอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าคำว่าอาหารเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นามาหรือประมวลมา ธรรมชาติไดย่อมนํามาหรือประมวลมาธรรมชาตินั้นแหละเรียกว่าอาหารนําอะไรมาประมวลอะไรมาถ้าผักษาหารถ้ากวะลิงการาหารนี้ท่านก็บอกว่านํารูปนํารูปมานํารูปมีโอชาเป็นที่แปดเนี่ยมาคําว่ารูปที่มีโอชาเป็นที่แปดหรือคำว่าโอชาเป็นที่แปดนี้ ท่านแสดงโดยนัยะแห่งปรมัาถสภาว่าเพราะว่าเส่วนประกอบร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีรูปร่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมานี่ก็เกิดมาจากเพราะมีรูปหน่วยเล็กๆที่มีความละเอียดขนาดอนุประมานูเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นรูปชนิดนี้ท่านเรียกว่าอาวินิโพครูปอวินิโพคารูปลหลายๆรูปเนี่ยมารวมกันเข้ามันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นรูปร่างขึ้นมา เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ า, าก็ว่าลิงการาหารนี้นำซึ่งานารูปซึ่งมีโอชะหรือโอชาเป็นที่แปดเนี่ยมาก็เพราะว่าในอวิธิโพครูปซึ่งเป็นรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่แปดรูปด้ยวยกันที่รวมกันเป็นหน่วยหนึ่งหรืออนูหนึ่งหรือปรมานูหนึ่งมีรูปอยู่แปดรูปคือมีธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุไฟธาตุลม วันนคันทรสาโอชารวมทั้งหมดเป็นแปดรูปด้วยกันในแปดรูปเนี่ยรวมเรียกว่ากราบบาลีใช้คําว่ากราบหรือกราปะถ้าตามภาษาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ก็คืออนูประมณูที่เป็นหน่วยหน่วยละเอียดแล้วก็มาจับกล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเช่นอย่างเส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยก็มีกราบรูปอยู่ตั้งไม่รู้จํานวนเท่าไหร่รวมทั้งตัวเราที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี้ก็มี